บันทึกพิเศษเสริมบทสรุปข้อสังเกตบางประการในการศึกษาพุทธธรรมข้อกอภาคมัชเชนธรรมเทศนา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 สาระของความจริงนี้ก็คือความเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยหรือกระบวนธา ร, รแห่งเหตุปัจจัยผู้ที่มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นไม่ใช่มองตามที่ตนอยากหรือไม่อยากให้มันเป็นจึงจะเข้าใจความจริงที่เป็นกลางนี้ได้เมื่อเข้าใจธรรมที่เป็นกลางนี้แล้วก็ย่อมมองเห็นความจริงอย่าง ก, งกว้างๆครอบคลุมทั่วไปทั้งหมดมีทัศนะเปิดกว้าง หลุดพ้นเป็นอิสระอย่างแท้จริงโดยหลุดพ้นทั้งทางจิตคือจิตหลุดพ้นจากสิ่งบีบคั้นครอบงำที่เรียกว่ากิเลสและความทุกข์กลายเป็นจิตที่ปลอดโปรง่งเบิกบานเป็นสุขและหลุดพ้นด้านปัญญาคือหลุดพ้นด้วยรู้เท่าทันธรรมดาแล้วมองเห็นความจริงที่ล้วนล้วนบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเคลือบแฝงหรือทาให้เอ็นเอียงและรู้ชัดแจ้งที่ความจริงโดยตรง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 เมฆจึงลงเป็นหิมะตลอดปีในอุ่นขึ้นไปติดอยู่นานในหิมะความเย็นทำให้เลือดข้นจับตัวเป็นเหตุให้เลือดไม่ไหลไปเลี้ยงมือเท้าทําให้มือเท้าปวดมากแล้วชาไปแล้วก็แก้ไขไม่คืนมือเท้าจึงพิการตัวอย่างที่สองข้อขอกระบวนการแห่งชีวิต หรือปัจจยาการแห่งกรรมระดับในจิตใจนาฬิกาตีบอกเวลา10ิบนาฬิกาเป็นเหตุให้ในกอในขอในคอและในงอได้ยินในกอเป็นนักโทษรู้ว่าถึงเวลาถูกนำตัวไปประหารพอได้ยินเสียงนาฬิกาก็หวาดกลัวมากเป็นเหตุให้เขาอ่อนทรงตัวไม่อยู่ในขอ เป็นญาติของคนถูกนักโทษค่าพอได้ยินเสียงนาฬิกาก็สมใจขวานแขนเป็นเหตุให้ร้องตะโกนดีใจในคอเป็นญาติอีกคนหนึ่งพอได้ยินเสียงนาฬิกาก็แขนแต่คํานึงกรรมวิบากของมนุษย์เกิดความสลดใจเป็นเหตุให้วางเฉยมีอาการสงบในงอเป็นนักโทษประหารอีกคนหนึ่ง พอได้ยินเสียงนาฬิกาแม้ว่าเคยหวาดกลัวแต่คิดได้ถึงผลสมแก่กรรมของตนเป็นเหตุให้เดินไปกับผู้คุมโดยสงบสิ่งที่ปรากฏคือเสียงนาฬิกาตีบอกเวลาสิบนาฬิกาในกอได้ยินแล้วเข่าอ่อนทรงตัวไม่อยู่ในขอได้ยินแล้วร้องตะโกนดีใจในขอได้ยินแล้ววางเฉย มีอาการสงบในงอได้ยินแล้วเดินไปกับผู้คุมโดยสงบตัวอย่างที่สข้อค อ, อกระบวนการแห่งกรรมหรือปัตยาการแห่งกรรมระดับบุคคลในจอกล่าวคําหยาบแก่ในฉอเป็นเหตุให้ในฉอเอาไม้ตีศีรษะในจอทําให้ในจอศีรษะแตกเป็นเหตุให้ในจอเอาปืนยิงในฉอ ทำให้ในชอบาดเจ็บสาหัสตัวอย่างที่สข้ก็งอกระบวนการแห่งวิวัฒนาการของสังคมหรือปัจจัการแห่งกรรมระดับสังคมพืชงอกงามอยู่ตามธรรมชาติคนไปเก็บกินเมื่อต้องการบางคนทำการสั่งสมเป็นเหตุให้คนอื่นๆพากันเอาอย่างและเป็นเหตุให้มีการปักปันกั้นเขตร มีการลักขโมยมีการตีเตียนทำร้ายกันเป็นเหตุให้คนเห็นความจำเป็นจะต้องมีการปกครองมีการเลือกตั้งหัวหน้าเกิดมีราชาหรือกษัตริย์ตัวอย่างนี้ตามอักคันยสูตรกระบวนการในตัวอย่างที่สองข้อขอที่ว่าเสียงนาฬิกาทําให้คนสี่คนมีอาการไปต่างๆกันนั้นมีลักษณะพิเศษถ้ามองเพียงปรากฏการณ์ภายนอก ไม่อ้างอิงถึงกิเลสหรือคุณธรรมในจิตใจอย่างที่เขียนไว้ในวงเล็บที่ว่าคนหนึ่งเป็นนักโทษถึงเวลาถูกนำตัวไปประหารและหวาดกลัวมากคนหนึ่งเป็นญาติของคนถูกนักโทษฆ่าและสมใจความแค้นอีกคนหนึ่งเป็นญาติอีกคนหนึ่งที่แม้จะแค้นแต่คำนึงกรรมวิบากของมนุษย์เกิดความสลดใจคนสุดท้ายก็เป็นนักโทษประหารเคยหวาดกลัว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 คนกล่าวคำหยาบแก่กันเป็นเหตุให้ทำร้ายร่างกายกันและงอที่ว่าคนเริ่มสั่งสมอาหารเป็นต้นจนมีการลักขโมยกระทั่งเห็นว่าจำเป็นต้องมีการปกครองแล้วเลือกหัวหน้ามีราชาขึ้นมานั้นปัจจัยภายในบุคคลก็สำคัญมากแต่แฝงซ่อนมองเห็นยากกว่าจึงมักถูกมองข้ามไปเช่นบางคนมองเฉพาะปัจจัยทางวัตถุ หรือทางเศรษฐกิจอย่างเดียวในที่นี้เอาตัวอย่างที่สองคือข้อขอมาวางเทียบไว้เพื่อเป็นทางให้เห็นชัดขึ้นถึงความสําคัญของปัจจัยภายในที่มีส่วนร่วมหรือเป็นตัวขัดแยง้งในการก่อผลของกระบวนกา ร, รมนั้นๆอันหนึ่งตัวอย่างที่สองคือข้อขอเป็นกระบวนการประจําชีวิตใกล้ชิดตัวที่สุดเป็นไปตลอดเวลาทำและเสวยผลได้เฉพาะตัว